บันดิตกับนินทาและสรนเสริญพระพุทธภาษิตเซโลยธาเอากะคโนวาเตนะนาสมมรติเอวังนินทาปะซั่งซาสุนะสมินชันติปันดิตาแปลว่าบันดิตทั้งหลายย่อมไม่หวั่นไหวในนินทาและสรรเสริญเหมือนภูเขาศิลาแท่งทึบไม่เสะเทือนด้วยแรงลมฉะนั้น อธิบายความนินทาและสรรเสริญนั้นท่านเรียกว่าโลกธรรมเป็นสองในแปดพระอัธกถาจารย์กล่าวว่าจริงอยู่ในที่นี้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงโลกธรรมไว้สองอย่างแต่พึงทราบว่าทรงหมายเอาโลกธรรมทั้งแปดประการโลกธรรมแปดนั่นคือลาบเสื่อมลาบยศเสื่อมยศนินทาสันเสริญสุขทุก เมื่อใดบุคคลได้ลาบยศสันเสริญและสุขเมื่อนั้นพึงระลึกไว้ด้วยว่าความเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาและสุขก็ตามมาในทางตรงกันข้ามก็เช่นเดียวกันชีวิตเป็นเสมือนคลื่นในมหาสมุทรขึ้นลงลงขึ้นอยู่อย่างนั้นตลอดไปบางทีมองผิวเผินอาจไม่เห็นแต่หากมองอย่างลึกซึ้งก็จะเห็นได้เห็นได้ทุกวันมินทาสรนเสริญ น, นั้น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 ในทางตรงกันข้ามก็เหมือนกันใครทักแสดา ว, ว่าเป็นขนุนมันก็ไม่เป็นขนุนการที่ใครเขาเกลียดเราหรือนินท า, าว่าอย่างนั้นอย่างนี้นั้นก็เป็นแต่เพียงความคิดเห็นของคนคนหนึ่งที่มีต่อเราเท่านั้นมิได้หมายความว่าเราจะต้องเลวตามที่เขานินทาว่าร้ายนอกจากเราจะไปทำเลวเข้าด้วยรถยนต์คันหนึ่งจอดนิ่งอยู่ในอู่ขายรถยนต์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 บางคนได้รับสังเิญมากเข้ากล่องตัวแล้วยกตนข่มผู้อื่นเห็นผู้อื่นเร็วกว่าตนไปหมดโชคร้ายเพราะเขาคนเดียวมองเห็นผู้อื่นทั้งหลายเป็นคนเร็วปฏิกิริยาก็จะกลับมาว่าคนทั้งหลายอื่นจะมองเขาเป็นคนเร็วเร็วตรงไหนเร็วตรงมองเห็นผู้อื่นเป็นคนเร็วนั่นเองเรื่องเหล่านี้เป็นปรัชญาและจริยศาสตร์หากจะพูดให้ละเอียดจะต้องใช้หน้ากระดาษไม่น้อยเลย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 เร่งประกอบเรื่องพระลักุนตกะพัทยเถระพระพัทยเถระนี้เป็นพระอรหันต์แต่รูปร่างท่านเล็กคล้ายสามนเณรน้อยดังนั้นภิกษุหนุ่มและสามนเณรที่ไม่รู้ว่าท่านเป็นพระอรหันต์เมื่อพบท่านแล้วก็ลูบหัวท่านบ้างจับหูท่านบ้างดึงจมูกท่านเล่นบ้างพรางเย้าหยอกว่าพราะนีน้อยไม่กระสันอยากศึกบ้างหรือ มีความยินดีแน่นแฟ้นในพระศาสนาหรือแม้อย่างนี้พระพัทยาก็หาแสดงอาการโกรธเคืองแต่ประการใดไม่ภิกษุทั้งหลายสนทนาการในธรรมสภาว่าภิกษุหนุ่มและสามเณรรังแกพระพัทยเถระอย่างนั้นอย่างนี้แต่ท่านไม่โกรธไม่ประทุษล้ายในสหธรรมิกเหล่านั้นน่าอัศจรรย์จริงพระศาสดาเสด็จมาอย่างธรรมสภา ทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันแล้วจึงตรัสว่าอย่างนั้นแลภิกษุทั้งหลายธรรมดาพระอาหารหัน์ย่อมไม่โกรธไม่ประทุสลายเพราะถ้าเหล่านั้นไม่หวั่นไหวไม่สะเทือนประดุจศิลาแท่งทึกดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าเซโลยธาเอกคโนเป็นอาทิมีนัยยะดังพน า, นา ม, มาแล้วแต่ต้น